วิธีปฏิบั ต, สติสอนเต่าคือหลังอคอขูดนตีสองหรือตีสามตื้นตื่นดล้นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมตีระคังตรงขึ้นมาเขาเดินจงกมอยู่แล้วคนใดขี้เกียจขี้คานปฏิบัติบอกก้าวหนะน้ามีแต่เว้าแหละ อ, อยู่ทันบอนคนใดรักการรักงานรักหน้าที่ ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหวังพื้นผูตัวเราหวังพื้นผูผูบาดเจ็บหวังพื้นผูคำสอนของเราคนคนนั้นรู้จักเคารพสถานที่คนคนนั้นรู้จักเคารพตัวบุคคลที่จริงแล้วคนคนนั้น่เคารพตัวเองเพราะบ่ละเลยบ่ปล่อยปากนาคคือตัวเองปฏิบัติธรรมก้าวหน้าตอนแรงมาก ก็สมคนจะอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วก็กมาห่มเสื้อห่มงงผ้าีิผ้ามานั่งสร้างจังหวะเดินจังกลมได้เวลาแล้วเอาทีละพั้งันมื่คือว่าคนนั้นรักการรักงานรักหน้าที่รักตัวเองไ่เป็นหมาหลอกเจ้าหมาหลอกเจ้านั่นคือว่ามีแต่เว้าบยบดขับ มิเตควมขี้เกียจขี้คานปฏิบัติทำมาบอก้าวหน้าพูดนถึงเขาที่ว่าเขาก้าวหน้ากับบอกก้าวหน้าเขาให้ตามหน้าที่ของเขาแล้วมู่ถึงว่าจิบอกก้าวหน้ากับก้าวหน้าเพราะคาตามหน้าเชีอันนี้ถือว่าเป็นนักปฏิบัติแท้บ่เป็นคนพูดมากบ่เป็นคนคุยมากเป็นคนทําการทํางานมากสนะเพื่อฟังเขารบเพื่อฟังคำแนะนก่อน แล้วก็เชื่อฟังตัวเองคิดตัวเองเห็นเป็นเนืการปฏิบัติธรรมะแบบขอเขาต้องพยายามทำทันจริงจริงจังๆสทีนี้เพราะว่าคนที่ผมฝึกออกมาเอามาสอนบ้านบูหมแลกตายกปนเวลานคนน้ายออกมาอยู่ป่าพุทธยาสมาฝุดยู่ที่ตรงนี้พวกนี้ก็ พอดีง่ายออกจากนี้นะ่ไปทํางอือดมีแต่เวา่าการสอนจริงบนมีน้อยที่สุดเพราะคนมันตายเป็นพวกดักรสเต็มพวกบ้านบูหม่มขาเจ้บดได้บ ว, วดคนข้าเจาก็เว้าวธรรมะอยู่บนเสาเค ร, รือรรคนที่รู้นะคนที่รู้น้อ ย, อยกับบุญเดก็เจิดไปจางไปมัดวั น, นนี้ต้อง อ, อกมายโยภาพุธญาณในคนโยภาพุทธญาณในหมือไอเอ็น โมฆะมหดูอ๋อโมเสถียงเสียโมคุณคำพันไม่มีเนี่ยังมั่นคงอยู่ทึกออกไปแล้วไปยังมั่นคงอยู่แล้วก็น้อยบันนี้ออกจากนี่ไปแล้วไปสอบทึกออกไปแล้วมัด <c oughs> มันบวชเข้าไปในสัวใจได้มั่นสุดเพราะว่าบวได้สอบกันมามีเจอว่าให้ฝังจําไปอันนั้นได้ปริมาณมา คุณภาพนิดหน่อยบัดนี้เขาเชิดฟุตเอาคุณภาพบ๊ทเนี่ยฟุดเอาปรดีมาคนใดที่คานเราจะซืนอยากให้มีคนใดบ๊เคาลบเสื้อฝังแล้วผมอยากให้มีเพราะมันที่สถานที่มันเปืองสถานที่เปืองปืนเ ป, อเ ป, อเปืองไฟเปืองที่อยู่ที่อาศัยมันมันเปืองเลเอาเอาคนดีคล้ายคล้ายคือที่หนู เม็ดเดียวเดิหมักนิษมักพิษมัน ง, ง่ายๆเนี่ยหลายๆแต่มันบทตรเนี่ยเที่าวนเองกสุการณ์พระสุกรัรไม่ออกไม่สนสุการณต้องปฏิบัติให้มันรู้แท้ๆอันนี้เป็นสูตรสสำหรับเรื่องต้น